พระโพธิสัตว์ก็บอกกับพระราชาว่ามารดาผู้น่าสงสารตาบอดไม่มีผู้ดูแลจากถูกต่อตามเท้าตกภูเขาจันโดรณะนะนนะแม่เนี่ยสงสัยปานนี้หิวมากความหิวของแม่แม่คงจะตามหาลูกตามหาอาหารถ้าหากว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยตกหิวตายแน่นั้นนื้อขึงแต่แม่วันตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างนะหิวไปเดินเหยียบอะไรที่ทําให้ตาเออเท้าเสียหายหรือเปล่า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 ก็ท่านตาบอดอะนะใครจะเลี้ยงดูท่านพระโพธิสัตว์ก็เล่าต่อไปว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ดมารดาของข้าพระองค์ยังไม่ได้อาหารเลยจะไปไหนได้นะแก่ก็แก่ตาก็บอดอยู่ในถ้ำก็เหมือนกับไร้คนเนี่ยนะมีพ่อแม่ตาบอดนอนอยู่ที่ไหนที่ถ้าเหมือนกันนะียถ้าหลังบ้านเหมือนกันนะลักษณะ น, นั้นเพราะฉะนั้นพระราชาจึงตรัสว่าพวกท่านจงปล่อยมหานาค มหานาคนี้เลี้ยงมารดาขอมหานาคจงอยู่อย่างสงบกับมารดาพร้อมด้วยญาติเธอก็คือขอให้มารดาของเอ่ขอให้พญาช้างนี้กลับไปเลี้ยงแม่ไปอยู่มีชีวิตอย่างสงบผาสุกอยู่ร่วมกับแม่เธอะแล้วก็รับสั่งให้ปล่อยไปกุญชรมหานาคพ้นจากเครื่องพันธนาการแล้วพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ไปภูเขาอันเป็นที่อยู่คือภูเขาจันโดร น, นะ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 พระโพธิสัตว์ก็ออกจากพระนครเข้าไปหามารดาในวันนั้นนั่นเองแสดงว่ารีบไปมากเลยนะรีบไปในวันเดียวก็ถึงพอไปถึงแล้วมารดาก็ดีใจเนี่ยนะจริงก็เอาเอาเอ า, เอ า, เอาพญาช้างเนี่ยนะไปถึงก็เอางวงเนี่ยไปสูบน้ำงวงไปสูบน้ ำ, นำแล้วก็ไปพ่นใส่แม่แม่ก็บอกโอ้ยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลใครนะ้อมาก็เล่าให้ฟังว่าลูกกลับมาแล้วก็บอกมาได้ยังไงบอกว่าพระราชา ให้ให้อภัยมาอย่างนี้แหละพระราชาพระราชาทานมามารดาก็ดีใจอนุโมทนากับพระราชาว่าขอพระราชาผู้ปกครองแควนกาสีให้เจริญพระราชาผู้ปล่อยลูกของเราผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ทุกเมื่อขอพระราชาพระองค์นั้นจงมีพระชนยืนนานเถิดก็อวยใยให้พรของแต่พระราชาว่า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 ก็พระราชานี่ก็ติดตามช้างนั่นไปนะเขาอยู่กันยังไงไปเลี้ยงแม่ยังไงอะไรยังไงก็เลยไปสร้างวังอยู่ที่ใกล้ๆสระบัวนั่นแหละพระราชาก็ปรนิบัติพระโพธิสัตว์และมารดาของพระโพธิสัตว์นี่เนืองนิดพระราชานี่รู้คุณธรรมคือรักพญาช้างนี่มากจริงก็อาจจะด้วยบุพเพสนิวาสอ่ะนะก็คือร่วมกันมาหลายชาติแล้วเพราะว่าพระราชาก็คือพระอนนท์อ่ะนะเนี่ยพระอนนท์เนี่ยพอเห็นพญาช้างก็รักพญาช้าง น้อมไปเพื่อที่จะบำรุงพญาช้างก็เป็นกล่ว่าเป็นผู้ที่ยอมสละชีวิตเพื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยหลายชาตินะพระนลเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นท่านท่านก็เลยไปสร้างพระราชวังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากสระบัวนั่นแหละคอยดูแลพญาช้างตอนหลังมาเมื่อมารดาพระโพธมารดาล้มก็คือตายนะพระโพธิสัตว์ก็ทําการฝังศพพระมารดาแล้วก็ไปอยู่น ะ, ะกุรันดกะอาสม บ, บทนด ช้างนี่ก็ลียกไปอีกที่หนึ่งณนะที่นั้นก็มีรือศีห้าร้อลงจากหิมืวันแต่ประเทศอาศัยอยู่พระราชาก็ไปปรนิบัติต่อรือศีเหล่านั้นตอนหลังพระราชาก็ให้ช่างนิ่แกะสลักหินทําเป็นรูปปฏิมา ก, ก็คือรูปเหมือนพระโพธิสัตว์แกะสลักช้างอะไช้างหินเนี่ยนะแล้วก็ทรงบริจาคมหาส ก, การะตั้งเครื่องบูชาพระโพธิสัตว์ชาวชมพูทวีปประชุมกันทุกปีโดยลําดับ ทำการฉลองรูปเปรียบด้วยช้างอันนี้ก็คือเคารพในฐานะพญาช้างผู้เลี้ยงแม่นะก็ทำอนุสาวรีย์นะนะทำอนุสอนให้ระลึกถึงใช่ทำเป็นสถานที่เอาไว้ระลึกถึงพญาช้างผู้เลี้ยงมารดาพระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอนุนในครั้งนี้นะก็เป็นพระอนุนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่รักพักดีต่อพระโพธิสัตว์รักพักดีต่อพระพุทธเจ้ามาหลายชาติด้วยกัน นางช้างก็คือพนางมหามายานั่นแหละพรานป่าก็คือคนที่เราคุ้นเคยดีคือพระเทวทัตเนี่ยนะคนอกักตันยูเขาว่ากันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคือเนื่องจากว่าจิตที่สมาทานเพื่อจะผูกเวรต่อพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจิตที่คิดผูกเวรเนี่ยอะไรก็ได้ขอให้มันน้อมไปเพื่อทำลายพระโพธิสัตว์ ท, ทาได้หมดเนี่ยนะเพราะว่าใจที่ตั้งไว้เพื่อจะผูกเวร ผูกเวรมานานด้วยกันส่วนช้างตัวประเสริฐผู้เลี้ยงมารดาก็คือเราสถาคตเนี่ยนะผู้เสด็จมาอย่างนั้นมาเหมือนอะไรเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเสด็จดำเนินมาด้วยบารมีสิบเป็นต้นฉันใดพระองค์ก็เสด็จมาอย่างนั้นแล้วอันพญาช้างตัวประเสริฐก็คือช้างที่เลี้ยงมารดาช้างที่เลี้ยงมารดานั้น น, นนะบุญบารมีที่ท่านสั่งสมอันนั้นเป็นเหตุให้ท่านบรรลุเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนต้นเนี่ยนะคนที่เขาบอกว่าคนที่ทำดีเนี่ยนะคนที่ทำบุญทำกุศลก็จะตํหนิบ่นว่าความดีนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยตราบเท่าที่ความดียังไม่ให้ผลตอนที่ความดียังไม่ให้ผลเนี่ยนะแมมมันทำด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจทำด้วยความ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 แต่เมื่อใดความดีให้ผลก็บอกเขาช่างดีจริงดีแท้เ น, นี่ยนะรู้อย่างนี้เราต้องทาให้มากกว่านี้แล้วถ้าเรารู้ว่าความดีมันให้ผลเป็นสุขเช่นนี้เราจะทำดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะส่วนคนชั่วทั้งหลายก็บอกเขาความชั่วไม่เห็นมันเลวร้ายอะไรเลยยิ่งทำชั่วยิ่งมั่งมียิ่งทำชั่ ว, ย, ย, วยิ่งประสบความสำเร็จความชั่วนี้ดีแท้ดีแท้ยิ่งทายิ่งดี เพราะความชั่วยังไม่ให้ผลแต่เมื่อความชั่วให้ผลแล้วก็บอกแหมรู้อย่างนี้ไม่ทำรอกรู้อย่างนี้ไม่ทำรอกรู้อย่างนี้ใครจะไปทำบาปทากรรมทำไมนาะเนี่ยนะทันเวลาความชั่วให้ผลคนผ่านก็บอกโอ้ยความชั่วนี้ช่างเลวร้ายจริงหนาะทันคนดีทั้งหลายบางทีเนี่ยนะทำความดีขาดน้ำอดน้ำทนเนี่ยนะพอเจออุปสรรคนี้นิด ห, หน่อยก็บอกว่าความดีนี้ไม่ดีเลยนะ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 เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะเคารพมารดาตั้งจิตเพื่อจะเคารพแม่ทั้งๆ ท, ที่เป็นกําเนิดเดรฉานนะบางคนก็บอกว่าตําหนิบอกว่าแม่เนี่ยทำให้แต่เกิดแล้วก็ไม่รู้จักเลี้ยงดูเป็นต้นบางคนเนี่ยตำหนิขนาดนั้นทั้งๆ ท, ที่นั่นอะ่ะขนาดเข้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นต้นเขาก็ยังไม่ไม่มีสามัญยสํานึกสู้ช้างก็ไม่ได้เพางั้นนะสู้เดรฉานก็ไม่ได้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัตว์เดรฉานก็ลําลึกถึงพระคุณของแม่เอาตั้งจิต เคารพแม่ด้วยความเคารพขณะเดียวกันการเคารพแม่เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติอันสมควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเดียวกันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความเคารพในพระมารดาอานะ่ะขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สันเสริญผู้เอ่อมารดาสันเสริญการเคารพต่อมารดาว่า มารดาทั้งหลายเป็นเหมือนกับพรมของลูกเพราะมารดาทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ละเว้นจากพรมวิหารสี่ประการต่อลูกมารดาทั้งหลายเป็นบิดามารดาเป็นผู้หวังความเจริญแก่ลูกอันนั้นก็เป็นเมตตามารดาบิดาทั้งหลายมุ่งจะบำบัดความทุกข์ของลูกอันนั้นก็เป็นการุณาของมารดา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 พ่อแม่ทั้งหลายสอนทั้งหมดก็เลยเรียกว่าพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์ขณะเดียวกันพ่อแม่เป็นนาบุญของลูกเรียกว่าอาหุนายะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรควรที่ลูกจะต้องลุกขึ้นต้อนรับถ้าหากว่าเห็นใครเดินมาแล้วควรลุกขึ้นรับก็คือพ่อแม่ถ้าจะมีของไปฝากใครพ่อแม่เป็นผู้ที่ควรของฝากที่สุดสำหรับลูกๆทั้งหลายถ้าหากว่าเราจะต้อนรับอย่างดีก็ต้องรับ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 เป็นผู้มีพระคุณอย่างลึกซึ้งเ น, นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สันเสริญพระคุณของมารดาบิดาเอาไว้ในพระสูตรหลายสูตรด้วยกันแม้กระทั่งพระวินัยบัญญัติพระองค์ก็ยังอนุญาตว่าปัจจัยสี่ที่ได้มานี่สามารถให้พ่อให้แม่ได้เลยโดยที่ปกติแล้วถ้าจะให้ผู้อื่นนี่ต้องท่านต้องฉันก่อนเป็นต้นให้เหลือก่อนแล้วยงให้ผู้อื่นได้แต่ถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่ไม่ต้องให้ได้เลย โดยที่ไม่ผิดพระวินัยบัญญัติด้วยโดยเฉพาะอาหารเป็นต้นเนีย่ยนะเรียกว่าคนอื่นประเคนมาแล้วยกให้แม่ได้เลยอ่างั้นนะโดยที่ไม่ผิดอะไรนนแล้วไม่เชื่อว่าเป็นการทําศรัทธาให้ให้ตกด้วยนะพระพุทธเจ้าสรรเสริญยกย่องมากเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่พระองค์บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เลี้ยงดูบิดามารดาคุณธรรมอันนี้ถ้าไม่มีในในใจของพระองค์มาก่อนพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอก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 ผู้ผู้เป็นนาบุญแล้วก็แม่ก็ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะมากท่านะนะเป็นผู้ที่แสดงโลกนี้ให้เราได้ดูะนะอันนี้คุณธรรมของพระองค์ท่านก็คือสละโลกธรรมทั้งหลายฝ่ายดีไปอยู่เลี้ยงแม่ต่อไปอีกการเห็นบุุษหลงทางแล้วก็รับไปเลี้ยงด้วยความกรุณาให้อาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยนะก็รับไข่รับไนยพรานใ เอาในพรานผู้หลงทางนี่ไปเลี้ยงดูด้วยใจที่อนุเคราะห์เอาเข้ามาส่งเลยนะเอาเข้ามาส่งพระโพธิสัตว์นั้นอดกั้นความผิดพลาด ท, ที่ในพรานป่านี่กระทาไว้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยวันที่ในพรานป่ามาเนี่ยนะท่านเห็นวนาะในพรานคนนี้แหละพามาจับเราทั้งทั้งที่เราบอกไว้แล้วว่าอย่าบอกใครนะว่าเราอยู่ที่นี่นี่ก็ยังพาเข้ามาอีกท่านก็แต่ว่าท่านก็ไม่โกรธ ถ, ถ้าท่านโกรธแล้วตายหมดแน่เนี่ยนะ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 แต่ให้เข้ามาจับงวงได้อะซึ่งปกติแล้วไม่ใช่วิสัยของช้างป่าแต่นะทำตัวเสมือนช้างที่ฝึกดีแล้วเพราะอะไรเพราะความที่ตัวเองนี้อธิษฐานอธิษฐานไว้อย่างมั่นเขาจะทำอะไรก็ทำเถอะขณะเดียวกันคุณธรรมมันอื่นของท่านอดอาหารแมตลอด7วันคิดว่าเวนมานดาเสียแล้วเราก็จะไม่กลืนกินอาหารอะไรอะไรถ้าแม่ไม่ได้ทานก่อนเราจะไม่ยอมทาน เด็ดขาดเลยนะไม่เหมือนบางคนนะแอบทานให้หมดก่อนเหลือไว้ให้ฝากแม่อย่างนี้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะนะไม่ทําจิตให้เกิดขึ้นว่าผู้นี้ถูกคล้องเราแล้วก็แผ่เมตตาผู้นี้ผูกคล้องเรา ท, ท่านไม่ไม่คิดเลยนะท่านมีจิตเนี่ยประกอบไปด้วยเมตตารักต่อผู้ที่มาคล้องตัวเองเลยนะเรียกว่ามีใจรักผู้ที่มาคล้องตัวเองเนี่ยเหมือน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 บรรทานผู้มีคุณธรรมผู้มีคุณวิเศษเช่นนี้สมควรแล้วที่เราจะนับถือท่านว่าเป็นอะไรนะผู้ทางสรารนังคัจฉามิด้วยละเลึกถึงปุพพะเจริยาคุณทั้งหลายที่พระองค์ได้กระทำมา